ที่เกิดของพุทธศาสนาคือว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ใจนั้นใสสะอาดบริสุทธิ์ของพระพุทธเจุกของพระพุทธเจ้าคือปฏิธาราชภกุมารอันนี้จะพูดทึงเรื่องเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับตนใหม่ ต้นไม้ที่งเกิดขึ้นในที่ใดก็ต้องมีเปลือกต้องมีกระพี้ต้องมีแกน่นศาสนาก็นในี้ทนองเดียวกันให้รู้จักเปลือกแม้กับพี่แก่นพระพุทธศาสนาด้วยพระพุทธเจ้าทั้งประเทศศาสนาจะจากสาโลคนไปคว้าเอาเปลือกก็เป็นแกน่นเลยไม่ได้ของดี ศาสนามีทั้งเปลือกกระกี้และแก่ยังค่อยมียังค่อยยืนนานมาจนฝ่านนี้เหมือนกับต้นไม้ถ้ามีแต่แก่เขาเรียกต้นไม้ตายถ้ามีแต่กระกี้เหมือนกับต้นดีท้องหลังถ้ามีแต่เปลือกมันกับต้นกล้วยไม่ทา้าวอน มีทั้งเปลือกและก็พี่แกนต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยคยืนนานเปลือกเป็นเสือนห่มห่อกับพี่ทําให้กับพี่เจริญงอกงามกับพี่ห่มห่อแกนต้งเสริมสนับสนุนแกนให้เติบนโตขึ้นโดยดังดักต้นไม้ยังคอยยืนนานเพื่อจะศาสนาขึ้น ยืนามาไม่ถึงสองพันกว่าปีก็ต้องมีทังเลือกแล้วก็พีแก่ชนะเหนือ น, นกันท่านก็นไม่ได้อธิบายไนหรอกย้อกขึ้นสูงอะไรตัง้ง ห, หน่อยตั้งนู่นหน่ยก็ได้ถังเลยถังตัง้งถังถงนั่นเลยโอ้ถังบนทงัง อันนี้เนี่อนีมาจะใกล้กเสาเนะ่มาจะกล้ๆเปลือกคืออะไรกับที่คืออะไรแกงคืออะไรทั้งก่ไม่ได้อธิบายละเอียดและออหรอกแต่จะมาจะสมมุติบรญญัติขึ้นเพื่อให้จำได้ง่ายจะได้อธิบายให้เข้าใจเปลือดนั้นได้แก่ ศาสนาธิธีต่งตางๆหรืออีกแนนหนึ่งที่เรียกว่าการทำทานรักษาศีลถ้าหากการทำทานไม่รักษาศีลกันแล้วหรือศาสนา ต, ต่างๆศ า, น า, นน า, นาสานาใดแต่ช่างก็จำเป็นจะต้องมีลัทธิสนุปทรรเียนโอเคนีม เป็นเครื่องหมายแอ่ทิตยแตกแตกต่า ง, งกันก็โดยจุดขวอ ม, มายนี้เองเพาะหมายนั้นอนที่พากันพิธีบิดตองต่างเป็นเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายละที่ต่งตางๆว่าพิธแตกพิธแต่แตกต่างกันตัวไหนได้ยาละเอียดขนาดใดอยู่ตรงนั้นหรืออีกในหนึ่งตามโบราณท่านพูดไว้ ท่านบอกว่าทานเป็นเครื่องเลี้ยงพวกคนศีลเป็นมนต์เป็นวิชาเัญญาเป็นอาวุธทานนี่แหละทหาทานาขาดทานไปอย่างเดียวแล้วหมดทังทนศาสนาอยู่ไม่ได้ทานยังเป็นเบื้องต้นเป็นเปลือกหุ้มหอกประทีปที่อธิบายในี่ยวันนี้ก็จะอธิบายทุเรื่องทานกับศีลเป็นเปลือก การธนุบำลุงพุทธศาสนาด้วยการทำบุญทำทานเป็นทำบุญทักบาญอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสร้างศาลาการประเรียนหวงปูานถ้าหากอันนี้เรื่องเหล่านี้เป็นเสรื่องธนุธนอบำลุงเสร็แล้วแต่อย่างที่เราไปเห็นในเมืองนอกพิหารนิบทวารามก็ไม่มี มีเมืองไทยท่านนั้นที่มีโบสถ์วิหารสร้างศาลากา ร, รเรียนสวยสดงดงานโบสถ์กิเสียรจะมีแต่มันไม่สวยมันกระบวชเมืองไทยหรือจะเป็นพระครวญถือก็ไม่สั่งในทัศนคของอัตมาเองสู้โบสถ์เมืองไทยยังไม่ได้มีรวดลายงดงามวิจิตริีสดใสมีเป็นเครื่องเชิดชู เกียรติของพุทธศาสนาเป็นเครื่องสง่างามของประเทศชาติบ้านเมืองเมืองใดประเทศใดกระ้า่งเข้าเทสมาไปข้ามือจีมาก่น้อยไปสองสามประเทศเ ท, ศ จ, 2, 3, ะเทศจะเห็นมันนี่ก็พมาอวดได้บ้างก็ไม่งา่ายไม่สวยเมืองศกเทศไทยปรคนอื่นนี้ว่างไงกันไปสั่งนำมาได้พูดแล้วเมื่อคืนที่แล้วความสุภาพเรียบร้อยนิ่มนวล ทิริยาเนย่ยของคนไทยแต่มาด้ชมว่าเป็นของน่าชมจริงๆหรือชาวต่างประเทศเขาก็เคยชมว่าประเทศไทยเนะี่ยเปพ่าเรียบร้อยยิ่นวลดีจริงมีที่เขาเคยโพูดเคยได้ยินกันอยู่อันนี้จะเป็นเครื่องหมายความดีของพุทธศาสนา มีเป็นเนื่องจากการทำทานถ้า ม, มีการทำทางเรื่องทั้งหลายลนี่ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาทานเบื้องต้นคือทานอาหารการบริโภคพิสุสงทั้งหลายไม่มีการอาชีพท้าขายทํามาให้จินอะไรนั่นนี่ชีวิตเนื่องด้วยคนอื่นถ้าหากว่าญาติมวไม่ประมูลคุนทานพระก็อยู่ในสุดาศาสนาเหมือนกัน พระที่ไม่ได้ทำมา้าถ่ายหรือไม่ได้ทำกติกาตรีกร อ, อะไรทั้งหมดบวชอยู่ได้จนตลอดวันตายอายุตั้ง7 0็0สิบแปดสิบก็มีอยู่ได้เพราะการทำทามนมีมันดีอย่างนี้จึงเรียกว่าทานเนเครื่องเลี้ยงพวกคนถ้ามูนี้จะเป็นกำลังทำให้ศาสนาถาวรต่อมา มีการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมหรือว่ารักษาศีลประพฤติเป็นตัวอย่างของชาวโลกหรือพุธทธศาสนิกชนทั่วไปเพราะเหตุอาศัยธรรมถ้าเป็นตัวอย่างอันดีงาม ในเมืองไทยของเราที่ไหนก็ตามถ้าหากว่ามันมีวัดวานแต่แล้วม่นมีพระจ้าผู้ทรงรู้สึกว่าบ้านนี่ย น, น่าจะเศร้าหมองและผู้คนก็จะเศร้าหมองไม่จิตใจและหน้าตาเลยของใสสะาดถ้าหากว่ามีพระและมีการทําบุญต้นทานอยู่เสมอเสมออย่างที่เขาอยู่ตามวัา น, นอกตามบทตามป่าตามรลกต่าง ถ้ามีการทำบุญทุนทานเสร็จแล้วไม่มีการพิธปประเพณีในทางพุทธศาสนาก็จะพากันหกหมุ่นหรือคุกคุนอยู่แต่กับเรืยองการงานการงานของเขาแค่ไม่มีการทำครัวสะอาดเรือแต่งต้นแต่งตัวให้สะอาดสะอานเลยกขาก็ปลงมูหมอบนี่เป็นดีอย่างนี้เลยในเรื่องศาสนาเรื่องวัดวาอราง เกิดจากการทำทางเป่นม่อทานในเครื่องเลี้ยงพวกคนกำลังของพระพุทธศาสนาคือพระเจ้าพระสง์ที่ท่านเรีอยกว่านพุทธบธริษัทพระเจ้าพระสงค์เป็นคนนำอุบายศกอุบายสิกาาปฏิบัติดีปฏิบัติต ช, อ, ชอบชาวบ้านพ่อเข้าไปวัดไปเห็นทาะเขาก็กด ละอายตัวไม่ได้อย่างท่านที่สื่อกับเจียนตัวถึงแม้จะมีความชัว่วแต่ในเวลาเข้าวัดจะรู้สึกว่าเจียนตัวนี่มันน้ำเงียศาสนามีทิพคนสําหรับที่จะทําคนให้ดีขึ้นมาได้โดย ก, การอย่างดียิ่งเรียกว่าทานเป็นเครื่องเรียนพวกคนผลของพุทธศาสนามเมื่อว่าเรา พุทโณนขั้นจุนพุทธศาสนาก็เป็นอนุภาพพุทโณนขั้นจุนตัวของเราเพื่อเป็นผู้เป็นวาตุอวิชชาไปนในตัวเสริมสร้างคุณงามความดีตัวของเราไปนในตัวเมื่อมีทานอยู่ในตัวของเราแล้วศินก็พลอยเกิดขึ้นมาด้วยคือคนเราสร้างความดีนี้มีแต่อยากดีด้านไปเมื่อเห็นคุณงามความดีเพราะการทํำทาน ก็เห็นดีขึ้นมาใหญ่กว่าดีขนาดนี้ก็ดีแล้วก็่นีอยากดีลำเรื่อยๆจนไปมีการราคาสินีต่อไปนี่เปลือกหุ้มหอกของทีไรสินเป็นมวนเป็นวิชาทปนว่านั้นวิชาดีคือสินสินเนี่ยวิชาต้องอาศัเป่าพิษภัยันตลาย ไล่แรงให้หายศูนย์ไปอย่างคดฆ่าสัตว์เคยฆ่าสัตว์รักษัตว์พืชพิษนี้่ากนแล้วตันถ้าหาวเสกคัดหาคือสิลห้าิลแปดคิดอันนั้นก็หายศูนย์ไปหมดไปสิ้นไปคนเราเน่ลองคิดดูถ้าหาวนี้แต่มบมุ่นโดยการฆ่าสัตว์ต่อชวิต ฮิตใจเอามาฮิตโหดไล่พยา ย, ยามที่จะทำลายแต่คนอื่นทานเดียวเริ่มต้นจะทำเล็เลกๆ น, น้อยเขี้ยงสัตว์บางทีก็สัตว์ที่เบียดเบีย น, ยนตนลิ้นชา้าตนนั้นนๆนะเข้ากับมันมือถับสัตว์ตัวใหญ่หญๆจะโตขึ้นเลยได้เกรงขามเลือไม่มีความละอายนนานๆนะเข้าสัตว์อื่นั้นเมื่อเนี้จะขาดนานๆนะเข้าก็บ่าดกันเอง ไอ้กันเองทำลายกันเองนี่มันเลย ม, มันมันมือไปอย่างนี้ถ้าเราเสกเป่าด้วยคาถาคือฟานาสีฟาตาเวรามนีงดเว้นเสียจากการทำลายสักคาถานั่นก็จะปัดเป่าให้มันหายไปพิรไน เกิดเนีตาต้องสารเอ็นดูซึ่งการในการซึ่งมาคนก็จะตามมาขีปองดองซึ่งกัรเงินการการรักข้อโกงขโมยเป็นสิ่นเดียวกันาคิดถึงสมบัติหรือสิ่งของที่ของเรามีมาแล้วแต่จะจําเป็นจะต้องมองเหนมีสิ่งไหนเึ้ามายัางไรเสื่อมสูญเสียไปหามันได้ด้วยความลำบากการกรร ได้มานรกกัจะให้ได้ช้เดยให้อยู่นานท้าวอนไปสักหน่อยอันนี้คนที่คิดขโมยคนอื่นชอบโกงคนอื่นมแต่เอาจะเอาถ่ายเดียวพอได้ของเขาแล้วก็เป็นดีเอาเลยยังไงจะได้ก็พยายามที่จะขอชอบโงคนอื่นล่างไปไม่คิดถึงอกั้งใจคนอื่นถ้าหากเรามาล่ค้าถาาคือมาเศษค้าถาคืออธินาทานารเวรมนีขึ้นมา คิตไล่ลงเนั่นจะใจค่อยนับดับถึนไปขอเห็โนอกเห็นใจสิ้นแล้วกันก็จะเกิดมีขึ้นมนุษย์ช้าโลกที่อยู่ด้วยกันก็จะอยู่เย็นเย็นสุขอย่างพวกเราพิมาอยู่นี่แหละถ้ามีใครแค่คนหนึ่งคิดเขาจะยศคอยที่จะลักเอาไปตั้งใครสักคนหนึ่งจะทิ้งมันนี้ก็ไม่ได้ นั่งอยู่ ใ, ใกล้ๆยังอยเจ็จบเจ็บโค้นอ่ะไม่มีความสุขที่ไหนเละอันนี้หาก็าต่างคนต่างมีจิตเป็นธรรมอยู่ด้วยกันไปด้วยกันไม่วางใจซึ่งกันและกันก็สงบเงีเยบเยนเต็นสุขหาเราไปนั่งรดนั่งลาเด็กกระเป๋ามาคอี่จะร่วมกระเป๋าลาไปไม่มีความสุขที่ไห น, นนะเนี่ยโทษอะไรเนี่ย ถ้ามาไล่คือมาเสกพระฐานอจินาทานาเรขึ้นมาพิษนั้นมันหายไปโลกก็จะมีความสุขตั้งแต่เฉพาะแต่เพราะส่วนตัวสักสองคนอยู่ด้วยกันเริ่มมนจะนี่แต่เรือหมู่มากขึ้นมาเดินอลับถึงบ้านหมู่บ้านประเทศชาติบ้านเมืองมีความสุขสบาย เพราะเหตุอาจินาทางไม่ทีแรกเราจะทำลายคนอื่นหรอกคิดจะทำลายล้างฐานคนอื่นจะชอบคนอื่นนี่แต่คิดจะจะได้อย่างเดียวแต่มันเบียเดเบียนตนไปในตัวไม่รู้เพราะโจนขโมยนั่นแหละเข็นค่อยรัฐบาลนี่เก็ออกาบากภาษีมาก่อนไปให้เงิน่้ำเงินเดือนเจ่าตำรวจทหาร แต่ให้เงินเดือนแกผู้ยิ่ผ้าอิสอาารมาชำระคนที่ไม่ซื่อไม่กงนั่นะมาเบียดเบียนเรานั่นแหะเกิดพระเสียกรเรานั่นละนี่เป็นงี้เลยที่แรกเราตั้งใจจะทำลายคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่กลับมาเบียดเบียนตัวเองไม่รู้อย่างลราฆ่าสัตว์ลักสัต์ ก็พืชผิดนิชช้าจางกาวของมุสละวเดินสลานี่หลายชิ้ห้ากระจ่างเนี่ยนับเข้าใจว่าเราได้เตียร์เขาแต่ขโมยเขาว่าเราได้เตียร์เขาแต่แท้ที่จริงคือเราได้เสียเตียร์ตัวเองตัวเสียเตียรเพราะอะไรคือความชั่วมันรั่วเข้ามาซึมซ่าเข้ามาอยู่ในจิตใจมานั่นแหละคือความเสียเ ว่าไม่ดีนะแทรกซึ่งเข้าม า, าไดใจหรนั่นแหละคือความเสียเทียถ้าหากเราเข้าใจซึงนี่เราเรียกว่าเข้าใจถึงหลักธรรมเราขโมยเขาไม่แก่เราขโมยของแค่จริงคือกลวามชัว่มมวมาขโมยความดีอยองเราไปการกราเพืผิดมิช้าจานยิ่งเร็วล่ายความที่ไม่รู้จักให้สิทเสรีคนที่ไม่รู้จัก คิดเฉลี่้ของกนันและกันคนที่ได้ความเดือดร้อนไม่รู้จักเรียกมิจฉาจารประพฤติผิดในบุตรภรยาสามีจึงกนันและกันีิเดือดร้อนมากคู่รักของใครก็ต้องหวงเห็นของตนเป็นธรรมดา ถ้าหากว่าทำลายความรักอ น, นั้นให้ห่างเหินและจางคู่รักมันก็เป็นสิ่งที่น่าเดือดร้อน <c oughs> โลกควานที่จะตัง้งเกิดมาทีแรกมนุษย์เกิดขึ้นมามีแต่ผู้ชายที่ใช้เขาเล่าทึงเรื่องประวัติผมลงมาเกิด เมื่อนานๆได้เข้าพรห ม, มเกิดแล้วก็มาทานอาหารบริโภคอาหารสิ่งที่ยำหยากพรหมเหาะได้เมื่อมาทานอาหารบริโภคอาหารงวนดินที่ยำยากก็เลยเหาะไม่ได้จับกลุมมโลกไม่ได้ลัคนีแต่ก่อนไม่มีดวงจันทร์ดวงอทิตดวงจันทร์อาศัยลัศนีของตนเองเพราะพรหมมีป่าที่หามีชานเจ็ดซึ่งอยู่เพราะทานอาหารยำหยากเข้าไห รัศ น, นี้ก็เสื่อมศูญหายไปจกงไดเกิดเป็นดวงที่ประจัญจะมาสองโลกนีตั น, นานโบราณมันมาทางพาหมณ์นานๆนะเข้ากระดึกความที่ว่าความหยาบหายทางกายทางใจจะเกิดเป็นเพศหญิงเทศชายทเทศผุมทางไม่มีเครื่องหุม ห, มหอปกปิดร่างกายเข่งเล้งเห็นการณ์การณ์ ก, ก, ก็เกิดปฏิพัตธกรรมห น, น จะมีการสัรไาทชมเชยขึ่นกันและกันโดยที่ว่าในสมัยนั้นยังไม่เคยปรากฏขินเลยแต่ว่ามันธรรมชาติผู้เห็นเขาเลยอุจจารขายขินหนาต่างก็ผ่านกันเป็นนานกันกูมีเห็นอย่างนั้นเขาก็มีไม่ก้อนควนนิขวา้างปากันมีก้อนดีนักคิดเท่ากิบทรา กบมันเลยชนมุลรุ่นวันทำใม้าตุสอนว่าเป็นของไม่นางไม่รุนนานนานมาจะเกิกดมีการหุ้มห่อปก ป, ปิดกันด้วยใบไม้เปลือกไม้พัฒนามาโดยลำดับจะมีผ่ามีผ่อนนี่ยโลกมันจเจริญ ม, มาเงี้ยอันนี้มันจเจริญสุดขีดละท่าน มันกลับคืนไปแล้วมันจะเลิกไปหมด ล, หละห้าข้อมันก็ตรงหนุ่งกันละไปไมหมมันตรงหนุ่งกันละข่านี้มันจะกลับไปของเก่าแล้วเขาว่าโลกจเจริญเขาว่าอย่นั้นไม่ใช่เรื่องจเจริญเรื่องเสื่อมนี่แหะนิชฌาจารทั้งที่ยังไม่เด็ดตั้งบรญยัตยิสินผ้าคือการเมสติชาจาร์ แต่มันเป็นที่อุดจัดเอายขายกีตามาแต่นนน่ะธรรมชาติชิ้นห้าพระพุทธเจ้าท่านสอนนให้ปฏิบัติตามความนิยมท่างเป็น์ยมาแต่ไห่จะใช่ไหมโลกนิยมยนะ่งงชิ้นห้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นใหม่ๆมีแต่ก่อนครั้งพรพุฑเจ้ายังไ่ท่านอุปัติขึ้นมาอย่างที่ว่านย่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นของดี เป็นเครื่องวัดความดีของ ค, คดในโลกก็เลยทรงอนุญาตต่งการกล่าวโกหกมุสาวาดดื่มสุรามนไรเหล่านี้ล้วนนั้นแะความชั่วรั่วไหลเข้ามาดองอยู่ในสัตวดานจนเป็นนิสัยความชั่วทั้งหลายเหล่านี้นนนน ซึงเข้ามาภายในถ้าหากเราไม่ใช้ขาขาปัดเป่าฤทธิ์เสกสังอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่มีโอกาสที่จะเป็นคนดีคนดีขึ้นมาดังอธิบายใ้ฟังแลยศีลห้าไม่ใช่เป็นของที่จะนับถือหรือถือว่าเป็นเคื่อบูชาแท้แท้จริงศีลห้าจะเป็นเครื่องวัดความดีคนละ ขั้วได้ข้อหนึ่งสองข้อก็ดีขึ้นว่าละได้ทั้งหาข้อก็ดีกว่าดีสมบูรณมนุษยธรรมถ้าหากเรานีวันนี้สินสักข้อเดียวเลยหมดทาง้งคิดคิดดูแลกัแล้วกั น, กนมนุษย์กับสัสตว์พิกันณาเท่าไหร่ถ้าสัสตว์ไม่มีสินจึงเลวสารกว่าคนหลัคนเรามีสิน ถึงแม้ให้สมบูรณ์เ็เรียกว่าดีกว่าสัตว์อาจจะฆ่ามนุษย์คนเราที่ได้มาเป็นของสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่ามนุษย์สมบัติหรือที่อีกจิตเรียกว่ามนุษย์โสคือผู้มีใจสูงแต่ว่ากา ร, รเราพ่ปฏิบัติเหมือ น, นันกษัตริย์มันก็ไม่สูงอะไรขึ้นถ้าเราถือเกียรติเรา เ, เรารักษาเกียรติเมนุษย์ของเรา เป็นผู้มีใจสูงแล้วกว็พาการรักษาคุณธรรมให้สูงกว่าสัตว์ทั่วไปก็ได้ชื่อว่าเรารักษาเกียรติของเราหากว่าเราทอดทิ้งเกียรติของเราเสไม่มีคุณธรรมรเลยเลยสินห้าไม่แต่ทอดเดียวก็แค่นี้ก็เรียกว่าต่างช้าเร็วสาบกับสัตว์จึงเป็นสิ่งที่อาภัยสายที่ น, นาที่สุดถึงแม้เขาจะรู้เรียนสาตา่างเรามีนวรอายตัวของเรา นีพระเจ้าอย่างสอนนักสอนหมาสอนสิงหา์าอันนี้เป็นเปือกนี่ขนาดนี้ยังเปือกอยู่แน่เลยเปือกตองพุะศาสตรสนาอยู่ด้วยเปือกนี่แหละถ้าหากว่าเราไม่กระเทาะเปลือกนี่แหละยังไม่แห้งแหี่ยวเปลือดนี่แหละยังห่มห่ออยู่ก็จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงขังพี่ให้เติบโตและให้แข็งแรงขึ้นโดยกำลัง กะพี่คืออะไรคือได้เด็ดความพบลงมกายวาจาใจตนให้เข้าถึงความสงบที่เรียกว่าสมาธิาวนาผู้ที่มีสมาธิภาวนามั่นในพุทธศาสานาแข็งแกร่งไม่ยอมเอียงไปในละที่ใดใดทั้งวงหมดเพียงได้ทำทางรักษาสินี่มีคนมายุ ยงแล้มีคนมาเกี้ยก่อนให้ถือสาสัาคิดวิสดามเห็นดูได้ง่ายถ้หาหันคัดสมาธิภาวนาแล้วไม่มีวันเลยจิตถ้าตั้งวันสมาธิแน่วแน่เล้วัเชื่อไนในคุณพระอาจารไตรคืเชื่อตามเชื่อผลทั้งกับว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหลักพ็จะสายสาัาสอนตรงนี้ วจธรรมะที่แน่วแน่เห็นคุณค่าของพุทธศาสน า, าแล้วให้แกมาฝั่นเฝ่าเป็นไม่ได้เพคะนี่เรียว่าสุพีสหัหลักหล่อเลี้ยงปัญญาปัญญาเรียกว่าแก่ถ้าหายวาจิตตั้งมั่นดังอธิบายฟังเมื่อคืนนี้ปัญญาจะเกิดจากวามที่จิตตั้งมั่น ใครจะทํางานอะไรก็ตามเถอะถึงแม้นักอิทธิยาศาสตร์ที่เป็นเขาเรียกว่าวิระวิละบผลบุรุษในโลกนี้ก็ตามเขาก็ม่นีหลักสมาธิเหมือนกันคิดใจต้องแน่วแน่มักแน่นมั่นคงในเขตผลของเขาที่เขาเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นมีจรงิงจังเขาไม่ยอมทอดทิ้งอุดมการณ์ในของเขาจะคิดคนจนได้ได้ผล อย่างที่นักคิดนักคนต่นางๆเขาค้นกันมาของที่เขานักคิดนักคนในโลกนี้ทําเป็นประวัติตําลาไว้คนนี้ตายคนนั้นคิดต่อเนี่ยตายคนนั้ น, นคิดต่อก็ต่อเนื่องกันไปเพราะเขาเชื่อคนที่หลังก็เชื่อแน่วแน่ในสมาธิเองทำให้สําเร็จประโยชน์ดได้จริงจรจังนี่แหละสักที เมื่อกระพี่มีและเกี่นมันจะค่อยสืิคือความรู้ความฉลาดนักแน่มันคงขึ้นมาเก่นคือก็คือปัญญาเมื่อเรายังมีชีวิตยอยู่คือว่าจะต้องมีเปลือกมีกระทีและมีเก่นหุ่มหุมพอและหล่อเลี้ยงขึ้นตลนอยการตลอดกาลเวลา หากว่าท่านผู้มีปัญญาเฉียดแหลมก็เพียงท่านแแก่นของท่านแข็งแข่งที่สุดจนหลุดพ้อนได้จากเปือกแกะกับพี่คือท่านานิพพานหมดความยึดความถือประทานมาันยึดมันสําคัญจริงใลทั้งตัวหมดท่านานิพพานท่านหมดจากที่กิเลสทั้ทงตัวหมดแล้วยังเหลือใจแก่นคือไม่ คิดยืนต้นตายยืนต้นไม่งอกอีกแล้วแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็จําเป็นจะต้องหล่อเลี้ยงซึ้นกันและกันโดยทั้งธรรมดังเราจะเห็นได้พระพุทธเจ้าที่เป็นผุ้ค้นเสร็จแล้วจากทุกทั้งปวงคือถึงพระสมมาทั้งจะได้เจ่ารหันตาสมาทัพระเด้เจ้าหรือพระอรียสงฆ์ทั้งหลายท่านก็จะต้องบริโภคอาหารเสด็จ โปรดสักว์คือบินท บ, บาไหร่ะทั้งหลายแต่อาเรศสงฆทั้งหลายแตเป็นนันมืองกันงจะต้องมีการยืนเดิน น, นั่งนอนจะต้องมีการเทศนาอบรมสั่งสอนคนอื่นโปรดคนนั่นคนนี้เป็นตาเป็นธรรมชาเมื่อไม่มีชีวิตอยู่ถึงแม้ปัญญาท่านจะสูงสุดหรือดุจคนแล้วท่วานก็จะต้องเอามาใช้เอาเรื่องมูนี้มาใช้คือเรียกว่าจบพี้ก็นยัง เปลือกตัยังแกงมีอยู่กับพี่เปลือตัวห่มห อ, อกมาอยู่ใช่ไปเลยก่อนหากว่าท่านดักขันะปริมิพานเปลือกแล้วกับพี่แกลุดออกจากแกงถ้าเป็นต้นไม้จะเรียกว่าต้นไม้ตายยืนไม่พคงทาวนจองไปเนี่ยทานี้เข้าใจ อย่าพากันลหลงไหลถือเอาเปลือกเป็นแก่หรือถือเอาพี่เป็นแก่หรือถือแก่เป็นกับพี่กิตรีต่อต่างๆเช่นเราพากันไหว้พระสวดมนต์มันหล่อเลี้ยงมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกับพี่เป็นเื่องหล่อเลี้ยงแก่อยู่ในตัวถ้าเข้าใจแล้วไหว้พระ เขาเลกเป็นคุณกระพุทธเจ้าเขาลืกเป็นคุณพระธรรมหรือเราสวดมนต์วัดชลาธรมโมมีพลังอานาติโตแรงถังมีข้องแก่ทำเมตตาคนอยา่ข้องแก่ไม่ได้แล้วม่ข้อง เ, เจ็บเป็นธรรมะตาในสมตายธรรมดาคนอยากข้องเจ็บคนตายไม่ได้ก็ต้องเอาผ้าแจกของรักของชอบแกกทัง้งหมดเป็นพิธีสวดมนต์นี่เรียกว่าเปลือก แต่ว่าถ้าหากเราเข้าใจในเนื้อนั้นจริง ๆ, งๆงแล้วเรามาคิดคนเมนิ่กลายเป็ น, นาาากฐีขึ้นมาจนกระทา่งเหตุฉาดตามเป็นจริงแล้วเห็นสิ่งทั้งหลายเราเนี้ยเพียงจะ้ักว่าเกิดดับจะเข้าไปยึดอะไรก็ไม่ได้จะถือเป็นต น, นตัวไม่ได้เมื่กลายเป็นแก่นขึ้นมาอัตตาเกิดจะอััตตาเกิดจากอัตตา ถ้ามันมีอัตตาคือกิดพีอานัสตาก็ไม่มีคือแขเอ็เดี๋ยวจะทิ้งอัตตาถ้าทิ้งอัตาาอตาแล้วก็ไม่มีอนานัสตาก็กไม่ตายจะเกิดจากไหนก็พี่มันมีแก่นจะเกิดมาจากไหนต้นไม้นั่นหล่อเลี้ยงกันโดยลำดับดังอธิบายมาแล้วทุกวันจะมีคนเราพากันมัวมอยเรื่องเปือกกันมากมายพิธีทีตองอย่างที่ว่า พูดกับพูดเถอมันเป็นเรื่องคล้ายๆกัก็ยกโทษคนอื่นเรื่องพุทธาที่เศษเศษสังมุกเลี้ยงอะไรต่างโอ้โหหน้ามกน้าวนอะไรเศษเปล่าเศษสังไปเัื่เยอะขอโชคขอลาบขอให้ลุ่มให้ด้วยอะไรต่างเข้าไปหาพระทางนั้นพระทุวันนี้เป็นไถ่เจ้าของคนชาวโลกทนานยอาจารย์ใหญ่ใหญ่ไปเดเป็นไถ่เจ้า ใครต้องการอะไรก็ไปหาไปเจ้านะให้พระเจ้าเสกเป่าเสกสันให้มันไปนั่นดองพมีเรื่องถือเปลือกดิดดีไม่ทำโดนเด่นคนเื่นหายไม่เคยมีในทางหลักศาสนาทนก็ไม่เคยมีแกข้าบางท่านบางองค์ลึกนาจารงโดยสมัยก็ยังทำงเงินอยู่นี่มาจีดเพลงกับพี่ที่ว่าเด่น มงคลแลสะสูตรนะสวดนะสวดหนาไปบ้านใครก็สวดแล้วซิ่งยิงไงจันให้ผ้าให้สวดนะท่นจะเป็นสิีมงคลแต่ในวันที่สุดไม่รู้เรื่องท่านไหมท่านสวดได้แลไม่่มันจดี ถ, ถ้าสวดให้ดีมันก็ถ้ท่านเป็นศาสตร์า น, นาพระเจ้าไปท่านเลพระเจ้าประานขอจะชิทที่หาย้งหมดเราไม่จำทำอะไร ท่านสอนเป็นบาลีพูดง่ายๆอย่างา อ, างอะเทวนาจะพาละนังปันดิตานังเจเทวนาสวดวนบ้านชัยที่ไหนก็ขึ้นนี้เลยก่อนนะครับเนื่อความใ่ไหมเด็กว่าเศษสารเศษเป่าให้คนเป็นชีริตหมดคลท่นนานไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านสอนว่าอย่างครบคนชั่วมันจะทําตัวให้เลวไหล ให้ครอบนาขาดเป็นบิตผู้ที่ท่านมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสท่านจะชักนาให้เราไปหาควาสุขควนเจริญท่านสอนอย่างนี้ต่างหากอันนี้ไปฟังกระท่ันสวดแล้วก็ดีใจว่าตัวเองที่อยู่ของคนอะไรต่างอย่างนี้หนาวเลยเสกเซนาเราจะนาำมนต์พระโคมให้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้รุ่มได้รวยจะมีอันอยู่อันหนทุกข์ก็ลักฝ่ายกันตัวเอง มีติดตัวผีแห่ติดเปื้อนบังลงขวัแหรือบงังลมน้ำใจให้ชื่นอกชื่นใจพราะไปติดมันก็ชื่นเ่ยติดน้ำแห้งมันจะลมของเก่าผ้าป่านํามตนน่ะดีอกดีใจคนอื่นป่านทำไมนมดไม่ติดใจให้นอกก้อยจนไม่สบายให้ ม, มากๆจนอาบไปเลยเดี๋ยวนี้ผ้าอา่าบน่ามายม สมัยก่อนพูดต้องการนันโยมต้องตักน้ำไว้สงฆ์กันปีใหม่เดี๋ยวนี้ไม่เอาไอ้ท่าอาบน้ำใครพูดแปล่พูดอง่ายจะมาพูดจะเมงอเปลือกพูดจะเปลือกเชือกเกลียนแค่ทางคิดดูไม่ใช่เป็นอย่ากจะมาพูดไหม ถ้าหากว่าเป็นอย่างจะมาพูดอย่าพายติดเปลือกเอาเธอะที่ทำที่พูดนี่ไม่ใช่ในห้ามไม่ให้ทำทำเหมือนกันการประเพณีนี่จบแต่จะ่าไติดอย่าไปถือนั้นเป็นของจริงของจังเลยให้ไปจัดเปลือกให้ไปจัดแก่ให้ไปจกักรพี้ตรงที่เอาตรงไหนที่เอากันจริงจังเข้าใจท่านในก็แล้วกัน <c oughs> วันนี้ที่บ่ายไอ ต้นพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาเกิดในเมื่อคืนนี้คืนที่แล้ว ม, มันงไมมีป่าจะก่อต้นศาสนาคือมันมีทั้งเปลือมีทั้งกับที่มีทั้งเกนได้สองการดิดต่อกันมาเอาละเทศเท่า น, นี้ละกันสวรรคพุทธศาสนานกชนทั้งหลายอยู่ในเมือง พาลานสีไม่เห็นเนีพุทธเจ้าจะพากันกังวลคิดถึงพระองค์เมืออนะม่ อ, อไหรเนาะพระองค์จะเสด็จลงมาเมื่ อ, อไหรนะ่พระองค์จะเสด็จลงมาก็มีพระโมกคันลาขึ้นไปพิจตอ่ออยู่เสมอว่าพระองค์ยังไม่กลับสามเดือนนี้จะกลับขออนุสาแล้วเมื่อลงมาจะลงมาตรงไหนเมื่อสังเกตในขอนรพระเจ้าก็เห็ที่กุศลเห็นว่าพุธทธ บ, บริษัททั้งหลาย ยังกังวลคิดถึงพระองค์มามีตัวแทนก็เลยตามเรื่องแบบพรรามพระละแล้วจะเปเรื่องจริงก็ไปสะแต่จะน่าฟังเลยจะไม่จันมาสลักเป็นรูปพระองค์ให้คนทั้งหลายทากักราบูชาแล้วลึกถึงคุณพุทธเจ้าย่งเรื่องที่สลักรูปล่อรูปว็เป็นตัวแทน เห็นท่้นพุทธเจ้าแล้วก็กราบไห ว, ว้สักการบูชาเกิดศรัทธาเรื่องสายพุ่มปีติแล้วก็คิดถึงความชั่วที่ตนทํท่านพุทธเจ้าสอนไม่ทำหน้าแบบนี้ไม่ทํานะแล้วก็ละแล้วก็ปล่อยวางทอธุระถอนที้งอัสิ่งที่ไม่ดี น, นะนักษาได้สิ่งที่ดีไว้มันดีมีประโยชน์นีได้ลูกสมัยก่อนมาหลังๆลูกครูบาอาจารย์ลูกใครๆตาก็เลี้ยงใครไปฉ่างถูกันได้ทํททำนองหนึเหมือนกัน นานม า, มาไม่แข่งงานทีเดียวเราะได้เหรียญนนะก็เป็นของขันของศักด์สิทธิ์วิเศษป้องกันก็ยันตะลายให้โชคให้ลาบตอนเดงสนุกทําคมชั่วทำอะไรได้หมดก็เหรียญกูบาอาจารย์ป้องกันขย่าวให้กันดูสักนิของแข็งมันหนุนไม่กลัวหรอกฉันไม่กลัวหรอกขย่าให้เขาดูสนี่มันเลยจะไปเง น, นี้ะ มันเกินขอบเขตไม่ถูกเจตนาของผมหรือเจตนาของโบราณไปก่อนมีคันทาไม่ถูกมันเลยเลยขานคิดแต่ว่าจะสิบสิบตัวอย่างจะ <c oughs> มาเนี่ว่าคนทํำความเลวทุกวันอันนี้นะเลวสร้างเคาะเหรียญนี่ก็เยอะเหมือนกันแต่มาเคยพูดให้เขาฟังเอาเหรียญไปทำไมเป็นเส้นของก้องกัน ถ้าหากว่าเหรียญนี้ไปตุกเกี่ยกับขโมยแหละเขาพวกโจรเหรียญ้องอาะมานี่หย ป, ป้องกันขโมยทางนี้ตำวรวจเขาก็คืว่าเหรียญอาตมาใน ป, ป้องกันขโมยขโมยก็คือว่าเหรียญอาะมาเนี่หย ป, ป้องกันเจ้าหน้าที่น่ า, า จ, จะไปช่วยใครอาตมาคนเดียวไปช่วยทั้งสองฝ่ายเหมือนอเมริกาช่วยเรียร่ยงสาม เวียดนามเป็นสองเวียดนามเวียดทางเหนือเวียดนามโอ้เวียทาเราทําเหรียญไม่ดีนอกจากนั้นอีกคนที่ทานูปทานเหรียญนั่นน่ะเอาละเ็นเาปั้มเหรียญให้ละแล้วไปแจ้งเขาทสันหมื่นเหรียญกัสักบาทถึงจะเอาท่นนี้เขาไปปั้มไปจังห้าพันเจของเขาแล้วก็จะรไปวบานแหละ มันกระลุยเฮ้ยชนะกันน้อยหนึ่ดูดเราไปเฮ้ยดื่มกันจนมึนเมาเข้าใจว่าดีเป็นของดีถ้าหาดไม่มีสติและเป็นของดีมันไม่มีหายถ้ายังมีสติยังมีอายเยอะมันอายคนมันไม่ดีคือเป็นของดีของมีหน้ามีเกลียดมันดื่มสุราเมามึนแล้วสุราขึ้นมามัดชักความมามันเป็นเหตุให้เกิดความประมาท คนเราจะข่าจะตีก็ต้องดึงตุลาเใียก่อนมันเกิดจากขมึนเมาถ้าไม่ขมึนเมาลงมือไม่ได้จึงมาเป็นเหยืในประมาทแต่แแไม่ใช่นรู้จเลยว่าไม่ดีชั่วใจ ก, กระปดส์ไม่ได้มันค้นก็ลองคิดคิดดูนข้าวทัว้งสามงดเว้นตลอดทั้งสาเลยอืม เขาออกพรษานั่นเรียกย้อนกลับหลังหมดเพิ่มเดีเรียกก็ของไม่ดีแต่ว่าไม่ดีทาไม่จริงเอาไปทำแต่ว่าดีเลยจะไม่ดีหรอเรียกย้อนหลังหุดเลยนี่อย่างไรเงยก่อนหลองก็หกตนเองกแทนก็ค่นอื่น่ะ้วก็โค้งหกตนเองแบบ โกงหกคนอื่นเนี่ยว่าเราเกิดมจกเรืงชั่วในการโกงหกคนอื่นเนะี่ยแล้วก็ยังโกงหกตนเองอีกสถ้าหากคนซื่อจริงๆอย่า ง, งจริงว่าชั่วแล้วก็จะไปําแล้วก็้หมดเลืองอันนี้ยางสือเออาเนี่หลายโอ้ยมันเป็นของทุกวันนี่อะไรที่มันจะรั บ, บาดมากที่สุดก็ไม่เนี่ยอะไรม่อเกิดจากลำวง หน้าไม่เหมือนระงวงไม่ได้ถ้าจะมารู้เรื่องเดี๋ยวมึต้นุ่มละเราไปผ่าคนไม่เคยดื่นสลาเลยเขาสาวหนุ่มๆเขาสาวไม่เคยดื่นสลาเลยเวลาลังวงก็ต้องพากันใส่แค่คนในกึ๊ดๆกึ๊กๆไปก่อนถ้ามาไปเห็นโอ๊ยเบื่อเบื่อโอ้โหรังวงนี่เป็นเกียรตจริงๆถ้าเราใจไม่สงบแล้วธรรมะกับภาายไปวางไว้ตรงไหนมันจึงจะสงบ ใจของเรสงบด้วยก่อนธรรม ะ, ะคือความสงบจึงจะมาวางลงที่สงบนั้จึงจะเห็นธรรม ะ, ะคือความสงบเนี่ว่าเบื้องต้นก่อนที่จะศึกษาธรรมะให้ทำใจให้สงบไปก่อนจะรู้ชัดเห็นตามเป็นจริงก็ต้องจิตสงบเสียก่อนถ้าจิตนี้ไม่งสงบส่งใสคิดนึกกลักรองไปตามอารมณ์พุ่งกระเจิงไปเลย ไม่เห็นของจริงหรอคือมันละไม่ได้จริงถ้ามันจริงไม่ต้องละใด้เป็นเรียกว่าของจริงจริงเรียกว่ า, าศาสนาเป็นของมีค่าทำให้คนดีขึ้นมาได้อันนี้เรียนเท่าไรมันยิ่งเร็วไปทุกทีมันก็ไม่มีค่านียประโยชน์ศ า, าสาขายขึ้นอาศาสนาพุทศาสนาเป็นของดีคนมาศึกษาล้วเรียนยคนมาปฏิบัติไม่ดี ได้น้อยก็ให้รักษาไว้อย่าให้มันหมดศูนย์จิตไปได้เท่าไหร่ก็รักษาไว้จริงจะเรียกว่าเราปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่าเราเชื่อมัน่นเราไม่สามารถจะทําให้สูงขึ้นไปแล้วทำให้ดีขึ้นไปได้เท่าไหร่ก็รักษานั้นไว้ซะก่อนจริงจิงจะเรียกว่าเราเชื่อมั่นในคําสอนพุทธเจ้าเราเชื่อมั่นในความดีที่พุทธเจ้าสอนไว้